ระบบองค์รวมของชีวิตดีงามที่กำลังพัฒนาดังที่กล่าวแล้วว่ามัคหรือทางชีวิตนี้มีองค์ดคือมีส่วนประกอบ8ข้อแต่ละข้อนั้นเป็นส่วนร่วมหรือเป็นองค์ร่วมที่เข้ามาประสานสัมพันธ์ประกอบกันและต้องครบทั้ง8ดข้อรวมกันจึงเป็นมัคเป็นทางชีวิตโดยในยะนี้ มักนั้นจึงเป็นองรวมที่มีแปดองรวมตามที่ว่านี้ขอย้าว่ามักนั้นเป็นระบบองรวมประกอบด้วย8ดองรวมในความเป็นระบบองรวมนี้ก็คือต้องเข้าใจว่าองรวมทั้งแนั้นทำงานประสานสัมพันธ์ประกอบกันและต้องครบทั้งแดข้อรวมกันครบจึงเป็นมักและจึงเรียกว่า มักมีองค์8นี่คือองค์ทั้ง8ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิทำงานประสานสัมพันธ์อาศัยกันประกอบกันพา ก, กันไปครบทั้ง8ดข้อจึงรวมกันเป็นอริยมรรคเรียกเต็มว่าอริยอัตถังขิกมรรค ที่นี้องค์แปดหรือองค์ร่วมทั้ง8ทํทำงานประสานสัมพันธ์อาศัยการประกอบกันอย่างไรถ้าพูดถึงอริยามรรคที่ทุกองค์เป็นสัมมาเช่นสัมมาทิฏฐิก็ต้องพูดกันตั้งแต่ว่าจะทำอย่างไรให้ทิฏฐิเป็นสัมมาแล้วสัมมาทิฏฐินั้นทำงานร่วมกับอีก7็สัมมาอย่างไรจึงรวมกันเป็นอริยามรรคที่ให้สาเร็จผลบรรลุจุดหมาย ถ้าอย่างนี้ก็เป็นเรื่องยาวเรื่องใหญ่กลุ่มรายละเอียดที่จะบรรยายต่อจากนี้ไปทั้งหมดจึงยังไม่ใช่โอกาสที่จะพูดอย่างไรก็ดีมีวิธีที่จะช่วยให้เข้าใจง่ายๆให้มองเห็นกว้างๆเป็นพื้นฐานไว้คือมาดูในชีวิตสุขๆดิบดิบของคนสามัญทั่วๆไปนี่และว่าองค์ทั้งแปดนั้นทำงานประสานสัมพันธ์กันอย่างไร ทีนี้ก็มาดูในทางชีวิตหรือการดําเนินชีวิตเป็นอยู่ของคนทั่วๆไปนี้บอกแล้วว่าองค์8ดนั้นคือทิฏฐิสังกปะวาจากัรมันตะอาชิวะวายามะสติและสมาธิก่อนอื่นก็มาดูมารู้การจัดกลุ่มจัดหมู่ขององค์8ดนั้นก่อนดังนี้สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกรปร์อยู่ในหมวดปัญญา สัมมาวาจาสัมมากรรมตตะสัมมาอาชีวะอยู่ในหมวดศีลหรือพฤติกรรมสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอยู่ในหมวดสมาธิหรือจิตใจนี่คือมีตัวทำงานจำพวกปัญญาจำพวกแสดงออกเป็นพฤติกรรมและจำพวกที่อยู่ในใจ ก็มาดูว่าคนดำเนินชีวิตกันอย่างไรคือกระบวนการของชีวิตที่เป็นไปตามธรรมชาติดำเนินไปและพัฒนาได้อย่างไรหมวดปัญญา1จุดเริ่มก็คือคนเรานี้มีความรู้ความเข้าใจเป็นทุนเป็นฐานของตัวถึงเวลานี้ขณะ น, นี้คนผู้นี้มีความรู้มีความเข้าใจอะไรอย่างไรแค่ไหน ความรู้ความเข้าใจเท่าที่เขามีนั้นก็จับตัวลงตัวเป็นความเห็นความเชื่อเป็นความยึดถือเป็นหลักการที่ยึดไว้อย่างนั้นคือมันจะเป็นข้อสรุปหรือเป็นผลรวมแห่งความรู้ความเข้าใจของเขาหรือปัญญาเท่าที่มีที่ถึงในเวลานั้นเรียกสั้นๆว่าทิฏฐิแปลว่าการมองเห็นหรือปัญญาเท่าที่มีอยู่รู้เข้าใจมองเห็นอะไรอะไร ซึ่งเชื่อถือยึดถือมองเห็นอย่างนั้นแค่นั้นล้ทิฐินั้นก็จะเป็นตัวนำในกระบวนการดำเนินชีวิตของเขา 2. จากนั้นบนฐานแห่งทิฐิหรือโดยมีทิฐินั้นเป็นฐานคนก็มีสังกับคือความดำริความคิดการต่างๆ คือเมื่อมีทิฏฐิมีปัญญามองเห็นแค่ไหนเชื่อยึดถืออย่างไรก็คิดการต่างๆไปตามความรู้เข้าใจตามความเชื่อตามหลักที่ยึดถือไว้แค่ที่เขารู้เข้าใจอย่างนั้นๆหรือคิดในทางที่สนองทิฏฐินั้นเช่นคิดสร้างสารรค์เกื้อกูลบ้างคิดเบียดเบียนทำลายบ้างหมวดเรื่องศีลหรือพฤติกรรม ในที่นี้คือมรคข้อที่สถึงหจากสังกับคือความคิดก็ออกสู่การกระทาเมื่อมีความรู้ความเข้าใจอย่างไรเท่าไหร่ยึดถือเชื่อถืออย่างไรมองเห็นแค่ไหนเอามาคิดแล้วก็พูดก็ทำไปตามที่คิดนั้นสนองความคิดนั้นแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมทางกายทางวาจาทั่ ว, วไป ตลอดทั้งในแดนใหญ่แดนสำคัญคือพฤติกรรมในการหาเลี้ยงชีพคือวาจากายอาชีวะถ้าถูกต้องไม่มีการเบียดเบียนก็เป็นศีลหมวดเรื่องสมาธิคือจิตใจจุดเริ่มเข้าทางเชื่อมแยกสังกับคือการดาริคิดการต่างๆในภาคปัญญานั้น จะพวงเอาแรงดันขับเคลื่อนคือแรงจูงใจมาด้วยดังพุทธพจน์แสดงปัจจยาการช่วงนี้ว่าอาศัยความต่างแห่งสังกับก็เกิดความต่างแห่งฉันทะฉันทะคือความอยากพอใจชอบใจปรารถนายยกเป็นสองประเภทคือปายร้ายตันหาฉันทะเรียกสั้นว่าตันหา อยากให้ตัวได้มีเศบเป็นใหญ่หรือหายไปฝ่ายดีกัตตุกรรมยตาฉันทะเรียกสั้นว่าฉันทะอยากทำให้สิ่งหรือคนนั้นๆเข้าถึงสภาวะที่ดีงามเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ของเขาหรือของมันเมื่อคนสังกับคิดการต่างๆ ความอยากแบบตัญหาหรือแบบฉันทะก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนพฤติกรรมไปตามสังกับความคิดนั้นตัญหาและฉันทะนั้นเป็นจุดแยกสําคัญยิ่งที่ตัดสินว่าคนจะไปทางอวิชชาหรือไปทางปัญญาจึงจะต้องใส่ใจปลูกปลูกฉันทะขึ้นฉันทะนี้เป็นคุณสมบัติในใจซึ่งทำงานรวมอยู่ในวายามะคือมรรคข้อที่6 โดยเป็นตัวเริ่มต้นของวายามะนั้นดังพุทธพจน์ว่าฉันทางชเนติวายามติการขับเคลื่อนเริ่มด้วยให้ฉันท่าเกิดมีขึ้นพอใจรักอยากทำก็พยายามเป็นวายามะเอาเรียวแรงมาลงมือทำการมีวิริยะความเพียรคือกล้าวกล้าเดินหน้าก้าวไปใจสู้ พยายามคิดค้นพิจารณาวิจัยชีย้แจงพูดจาทำการนั้นให้ถูกต้องได้ผลจนสำเร็จข้อที่7เมื่อเพียรพยายามก้าวไปกับสังกับในการคิดการพูดจาทำการทั้งหลายนั้น<ม>ก็ต้องมีสติตื่นทันพร้อมรับหน้าจอ่อจ้องจับใจอยู่กับกิจจิตอยู่กับงาน ไม่ใจลอยไม่เผลอไผลไม่พลาดไม่หลุดไม่หายไม่ลืมจับได้ตามทันอยู่กับการที่ทำอยู่กับเรื่องที่เกี่ยวข้องตรวจคัดจัดเลือกอะไรผิดหรือร้ายเลิกละละเว้นกั้นยัง้งอะไรถูกหรือดีหรือใช่มุ่งเข้าหาเอาจับไว้เกาะติดตามไม่ปล่อยให้ปัญญาทำงานได้คล่องไวเต็มวิสัย ข้อที่8เมื่อมีสติใจตื่นพร้อมทันต่อความเป็นไปรอบตัวไม่เผลอไม่พลาดกับเรื่องจับงานไว้ให้สมาธิคือภาวะที่ใจเป็นหนึ่งเดียวตั้งมั่นมุ่งแนวอยู่ตัวได้ที่ซึ่งเอาคุณสมบัติเกี่ยวข้องที่เป็นกำลังพลตัวทำงานของจิตใจมารวมกันมั่นแนมุ่งแนวไปที่เรื่องที่งานนั้น ก็ทำให้กิจกรรมทุกอย่างของชีวิตดําเนินไปอย่างดีที่สุดเฉพาะอย่างยิ่งคือสร้างโอกาสให้ปัญญาทำงานจัดการกับสิ่งทั้งหลายและพัฒนาไปได้อย่างดีที่สุดเป็นอันครบองค์8ดของมรรคที่จัดแยกเป็นสามหมวดให้เห็นว่าในแต่ละด้านมีอะไรบ้างเป็นตัวประกอบสำคัญและโดยการชี้ทางสองนาของปัญญาในวิสัยของทิฏฐิและสังกัป แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมแห่งศีลทางกายวาจาและอาชีวะด้วยเรี่ยวแรงกำลังงานของจิตใจที่มีวายามะสติและสมาธิก็มีการดาเนินชีวิตที่ดีมีความเป็นอยู่โดยมีการพัฒนาชีวิตนั้นตลอดเวลาไม่เป็นชีวิตที่เรื่อยเปื่อยเฉื่อยชาจมอยู่ในความประมาทก็จะก้าวไปในการพัฒนาชีวิตนั้นรบเต็มระบบองค์รวมของมรรค ในทางตรงข้ามถ้าองค์มรรคไม่ถูกต้องไม่เป็นสัมมาแต่ไปทางร้ายเสียหายผิดพลาดเป็นมิจฉาเริ่มแต่มีมิจฉาทิฏฐิก็จะคิดจะพูดจะทำผิดร้ายเสียหายเป็นต้นเป็นมิจฉาสังกัมมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตมิจฉาอาชีวามิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิทาให้ดาเนินชีวิตในทางที่ผิดที่ร้าย กลายเป็นอนาฬิยมักหรืออนาริยามากไปไม่สำมฤิ์จุดหมายของการพัฒนาทั้งนี้ในการพัฒนาชีวิตนั้นต้องให้ได้ปัญญาเป็นจุดมุง่งแล้วปัญญานั้นจะได้มาเป็นฐานของมรรคเป็นทิฏฐิคือความเชื่อถือรู้เห็นเข้าใจซึ่งเป็นต้นทางของความคิดออกสู่การพูดการทำ รองไปกับการพัฒนาจิตใจเพราะฉะนั้นเราจึงต้องการให้ได้ทิฏฐิที่พัฒนาถึงขั้นเป็นสัมมาทิฏฐิซึ่งจะพาองค์อื่นๆให้เป็นสัมมาตามไปด้วยทีนี้ที่ว่าระบบการดําเนินชีวิตของมรรคนี้มุ่งให้เป็นอริยมรรคโดยให้การดําเนินชีวิตเป็นการพัฒนาชีวิตนั้นก็ต้องย้ําอีกว่าการพัฒนาชีวิตนั้น มีการอยู่ที่การพัฒนาปัญญาซึ่งเป็นตัวนํากระบวนและนําให้บรรลุจุดหมายและท่านก็สแสดงให้เห็นการพัฒนาของปัญญาว่านําไปถึงจุดหมายอย่างไรดังนั้นต่อจากองค์ทั้งแปดนี้เหนือมรรคขึ้นไปจึงมีสัมมาอีกสองคือสัมมาญาณและสัมมาวิมุตติสัมมาญาณ ความรู้ชอบคือความรู้ถูกต้องเต็มปัญญานั้นก็เป็นความจบของการพัฒนาปัญญานั่นเองกล่าวคือในเบื้องต้นเริ่มด้วยความรู้ความเข้าใจที่ยังเป็นการมองเห็นตามเหตุผลที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิแล้วความรู้ความเข้าใจนี้พัฒนาขึ้ น, นไปจนกลายเป็นการรู้การเห็นด้วยปัญญาของตนประจักษ์แจ้งจริงโดยสมบูรณ ซึ่งเรียกว่าสัมมาญาณในการพัฒนาของชีวิตตามวิถีแห่งมรรคซึ่งเป็นกระบวนการของธรรมชาตินี้การพัฒนาขององค์ธรรมภายในที่ดำเนินไปทั้งหมดเมื่อว่าโดยผลรวมจึงพูดได้ว่ามรรคนั้นเริ่มด้วยปัญญาและจบลงด้วยปัญญา เมื่อมีสัมมาญาณรู้ข้อใจมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามสภาวะแล้วก็หลุดพ้นเป็นอิสระเป็นสัมมาวิมุตติโดยในยานี้สัมมาทิฏฐิจึงเป็นสะพานเชื่อมที่ทอดจากอาวิชชาไปสู่วิชชาเมื่อเกิดสัมมาญาณมีวิชชาแล้วก็หลุดพ้นเป็นสัมมาวิมุตติถึงจุดหมาย การเพิ่มหูข้อทั้งสองนี้คือสัมมาญาณกับสัมมาวิมุตติต่อเข้าไปกับมรรครวมเป็นสิบเรียกสัมมัตตะหรืออเซกธรรมสิบแปล ว, ว่าธรรมะของผู้จบการศึกษา